เวลานั่งสมาธิโยมพยายามมองให้เห็นการเกิดดับแต่จิตพยายามจะจับเวลาที่ แต่พยายามตั้งใจดูตอนเกิดไม่ทันเลยจะรู้ตัวตอนมันดับไปพยายามตั้งธรรมดาธรรมดาอืมไม่ไม่ไม่ได้ผิดไม่ <c oughs> ผู้จำบอกว่าเห็นราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับ และทุกอาการจิตเลยนะจิตทุกดวงเออใช่พระเจ้าก็พูดถูกแหละ บางคนเนี่ยบอกเห็นตอนเกิดทันสติพระองค์บอกสติเป็นที่แล่นไป ตัวระงับอธิกรณ์ให้พระอรหันต์นะ 100% นะเต็มรอบไม่มีความ ความผิดของท่านทางฝ่ายโลกไม่มีเพราะท่าน denn